เฝ้าหูกห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเพลแม่เราเฝ้าโอละเหกล่ำลูกน้อยนอนเพลไม่ห่างหันเหไปจนไกลเมื่อเล็กจนโต แม่พายพร้อมย่อมเกิดแต่รักลูกปักดวงใจเติบโตเล็กจนใหญ่มีและนาอะไรมีใช่ไดนาเพราะค่าน้ำนมควรคิดพินิดให้ดีข่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสมโอ้แม่จาลูกคิดถึงค่าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมรวนชวนให้ แต่เมื่อหลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบัวเตรียนภาคเทียนจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่อ น้ำนมครวนชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อหลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบูดเรียนภาเคเรียนจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณ ตอนนี้เราจะไปฟังประวัติของเจ้าชายลูกทุ่งหคะหน้าตาดีเชื้อสายอเมริกันค่ะเดาออกคะว่าใครอ่ะให้เดาเนะคะเป็นเจ้าของผลงานเพลงชื่อเจริญเจริญดังมากค่ะคุณก็อดจกกักรบาลคอนบุรีทีรโชติน ะ, ะหรือชื่อเดิมว่าจักรพันอาบคอนบุรีนแหละ คุณกอตเนี่นะคะเกิดเมื่อสิบสามกันยายนปี2511ค่ะมีพ่อเป็นชาวอเมริกันส่วนแม่เนี่ยเป็นคนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะกอตเนี่น ะ, ะเดิมเนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะว่าเป็นนักร้องสตริงมาก่อนแต่ว่าไม่ดังมาดังจริงๆก็คือเพลงลูกทุ่ง โดยในวัยเด็กเนี่ยนะคะก๊อตเนี่ยจะเป็นเด็กเงียบมากไม่เหมือนตอนนี้เลยตอนนี้พูดเพลงพูดแล้วก็ร้องเพลงเก่งมากนะตอนเด็กเงียบมากแล้วก็ลำบากเพราะว่าฝรั่งอะคะ่ะกค็คือคือคล้ายๆว่าพ่อเนี่ยเป็นทหารย้ายมาประจำการอยู่ที่โ ค, โคราชแล้วก็มาพบรักกับแม่ซึ่งแม่เนี่ยเป็นแม่ครัว ก็แต่งงานกันทีนี้ตอนหลังเนี่ยพ่อก็ถูกเรียกตัวก็กลับมาเป็นอา่าเป็นแบบคือนึกถึงสมัยก่อนน่ะที่ว่าทหารต้องมาอะไรนะสงครามเวียดนามอะ่ะก็คงจะมาไปอยู่แถวแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเงี้ยก็ประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งอะ่ะทีนี้พอตอนหลังทหารเขาก็ต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่อ เ, อเมริกาซึ่งเขาก็จําไม่ ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีรูปพ่อนะก็ส์ก็จําหน้าพ่อไม่ได้ด้วยแต่ว่าแม่เนี่ยก็ไม่ย้ายไปอยู่กับสามีที่อเมริกาเพราะว่าห่วงห่วงยายไงแล้วก็เกรงว่าตัวเองมีปัญหาว่าจะปรับตัวไม่ได้เพราะเรียนน้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนหลังเนี่ยพ่อของก็ส์เนี่ยก็ต้องไปประจําการไปทหารอีกหลายต่อหลายประเทศขาดการติดต่อคะท่านผู้ฟังจนในที่สุดเนี่ยก็ไม่รู้ชะตากรรม ว่าพ่อเนี่ยไปไหนทีนี้ก๊อตเนี่ยพอถึงถึงตอนเด็กๆ เ, เนี่ยนะคะเป็นเด็กเงียบเพราะว่าชีวิตลงบากพ่อเนี่ยตอนนั้นเป็นาหารก็ยากจนก็เอาลูกๆมาอยู่ในบ้านเช่าทำงานรับจ้างนะคะส่วนพี่สาวกับพี่ชายก๊อตเนี่ยเรียนแค่ป .4 ก็เลิกและตอนหลังเนี่ยแม่เนี่ยก็ส่งไปอยู่กับตากับยายก๊อตนี่เกือบไม่ได้เรียนหนังสือนะคะ แต่โชคดีค่ะว่ามีคนเขารู้จักกันนะขอไปเลี้ยงเอาเป็นเอาเป็นลูกอะ น, นะต่อมาแม่ก็เลยต้องตัดใจโอ้โหยกลูกตัวเองให้กับคนอื่นเนะี่ยแล้วตัวตัวก๊อตเนี่ยก็ต้องย้ายจากอกแม่นะไปอยู่จังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากบิดาบุญธรรมของก๊อตเนี่ยเป็นทหารเหมือนเดิมนะคะมารดาก็เป็นแม่บ้านชีวิตนี่โหเหมือนตายแล้วเกิดใหม่กันท่านผู้ฟัง มีห้องของตัวเองจากที่ เ, เคยนอนรว ม, มกั น, เ ป, นเป็นหัวปลาส้อยนะก็กลับมานอนห้องของตัวเองได้เข้าโรงเรียนแล้วก็ได้ฟังเพลงลูกกลุงจับข้อบนธรรมบ่อยๆจนซึมซับว่าโ อ, อ้เนี่ยเราชอบเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งสมัยนั้นเนี่ยการสื่อสารไม่สะดวกค่ะก็ไม่ได้กลับมาหาเยี่ยมแม่เลยส่วนแม่เนี่ย ก็ไม่ได้มาห า, อากอดเหมือนกันซึ่งเขามักจะถามแม่เสมอนะว่าทำไมแม่ไม่มาลูกเนะี่ยอยากเจอแม่แต่จะขาดแล้วเนะี่ยแต่ว่าแม่ทำไมไม่มามันก็เป็นปมในใจเด็กนะคะจนปีออที่กออายุได้สิบเอ็ดปียังไม่ทันที่จบป .6 กบิพ่อแม่บุญธรรมก็หาคนสืบให้จนรู้เนี่ย ว่าแม่เนี่ยมาเช่าบ้านอยู่แถวสาม亚กปักทงชัยกอดเนี่ยนะกล้ามากเลยเดินทางจากกาญจนบุรีนะไปแอบดักเจอแม่จดเจอแม่นี่กอดก็ร้องไห้เลยนะแล้วก็รู้ว่าอ๋อแม่เนี่ยมีสามีใหม่ชื่อป๋าพอทุกคนเนี่ยคือขอร้องให้กอดกลับมาอยู่ก็เริ่มปรับตัวได้ก็ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านนะคะ ไม่เรียนต่องเรียนต่อแล้วก็ไปทำงานกับป๋าที่อู่ซ่อมรถไปเป็นเด็กฝึกงานนะคะเอาละค่ะเรื่องราวของก๊อตเนี่ยยังไม่จบถึงเท่านี้เดี๋ยววันนี้เราไปฟังพ้นงานเพลงของก๊อตจักรพันธ์นะคะในเพลงเจริญเจริญค่ะ ข้าที่ไม่โกงกาช่างให้ขายดีมีตังละนั่งนับกันเพล่เจ้าหนี้ที่ไม่เคยหน้าเงินไม่คิดดอกเกินขอให้ได้เงินคืนขราชรานที่ไม่คอรับชันขอให้ทุกพันนั้นเรื่นขั้นสูงขึ้นคนดีที่พกไม่ฝืนคนดีที่พไม่ฝืนใดีขึ้นดีขึ้นเจริญเจริญกินดี โชคใครโรคภัยนอนหลับฝันดีมีบังช้จะทำอะไรให้จเจริญเจริญ เ, เจ้าหน้าที่เห็นใจลุกจากให้ผลบุญ น, นำทางนั่งราแต่เงินแท็กซี่ที่มีเตอร์ไม่เกินไม่ชติจนเพลินขอให้ได้เงินดีท่านผู้แทนที่ไม่ลืมชาวบ้านขอให้ทุกพันุ์เป็นรัฐมนตรี ทำดีขอให้ได้ดีทำเดียวขอให้ได้ดีสุขขีสุขขีเจริญเจริญยินดีอยู่ดีขอให้มีโชคลายทุกไรสบใครโคครโคภัยนอนหลับไป เคยเลี้ยงใครให้มอรวยไวไวใครใครก็สรรเสริญคุณเจ้าที่ไม่รับสวยเพลินขอให้บังเอิญในอูกลอตเตอรี่พนักงานที่ขยันสื่อสัตว์ขอให้บริษัทเพิ่โบนัส ท, ทุกปีคนไหนที่ไม่ซื้อเทพลียคนไหนที่ไม่ซื้อเพอทอเพลี้โชคดีโชคดีและเจริญเจริญกินดีอยู่ดีไมยมีโชไ ค, โคไรทายภูกร้ายโศกรโรคภัย ขอให้พกทุกท่านกุศลโดนบัตรดาให้สุขสันเลิดเลิศขอให้ทันแฮปปี้มีเงินคนที่ยังเดินขอให้มีเก่ง์ทีหากใครยังไร้ผู้ติดขัดขอให้ได้พิมพ์บัตรและแจกบาตปีนี้ยิ่งคนไหนที่ไม่ซื้อเทพทีคนไหนที่ไม่ซื้อเท พ, พทีใ้โชคดีโชคดีและเจริญเจริญกินดีอยู่ดีอ่อยมีโชคลายทุกไรโศกไรโคไรโค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 หัวเข่าดังกรับแกรบไม่เกรนขึ้นหัวกระดูกทับเส้นอย่าลืมชุดน้ำมันมูลไบรย้ำชุดน้ำมันมูลไบรช่วยท่านได้ส่งของเก็บเงินหน้าบ้านฟรีสนใจติดต่อ0813946977สาหเกเจเจย้ำศ แปดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณขวัญดาวสมชัยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ ะ, ค, ะค่ะให้คุณขวัญดาวสมชัยแนะนําชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะค่ะชื่อขวัญดาวสมชัยค่ะบ้านเลขที่หนึ่งร้อยเก้าทับหนึ่งอ่าบ้านเลขที่หน <60. S 1> ึ่งร้อยเก้าทับหนึ่ง ค่ะหมู่14ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอ่าหนึ่งร้อยเก้าทัหนึ่งหมู่สิบสี่ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะค่ะคุณขวัญดาวสมชัยนี่อาชีพนี่เป็นอะไรค่ะเป็นข้าราชการครูค่ะอ๋อเป็นข้าราชการครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติเนะค่ะแล้วเได้รู้จักกับมูลไร้ได้ยังไงอ่ะค่ะ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 ทำงานเมื่อยอะไรเงี้ยเขาทาน้ํามันเขาก็แบบเขาบอกรู้สึกโล่งสบายอะไรเงี้ยเบาตัวเงี้ยค่ะอืปวดส้นเท้าทานน้ำมันเขาเบาตัวแล้วดีขึ้นถูกไหมคะค่ะค่ะแล้วคุณแม่นี่ปวดส้นเท้ามากี่ปีแล้วอคะแม่เขาเพิ่งบวดให้ฟังปีนี้ค่ะอืว่าปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยังไม่พอปีดีะค่ะค่ะเห็นคุณแม่ใช้ไปแล้วดีขึ้นหรอคะเล่าอาการให้ฟังค่ะ ก็แม่ใช้แล้วแม่เขาดีขึ้นเขาก็แนะนําแล้วพอดีแฟนก็เป็น<ะ>หมอเขาวินิจฉัยว่าเป็นอ่าอะไรอ่ะเหมือนจะกระดูกทับเส้นแต่เป็นอาการเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้เป็นอะคะะ่ะก็แม่เขาก็ให้ใช้ค<ะ>่ะให้แฟนใช้แฟนใช้ก็เขาก็ดีขึ้นตอนนี้ก็คือโอเคดีไม่มีอาการปวดแล้วอะค่ะอ๋อแฟนใช้ ก, ก็ดีอ่าไม่มีอาการปวดค่ะแล้วก็ไปแนะนําให้นะอีกสองคน นะสองคนนั้นเขาก็ปวดค่ะเขาจะปวดช่วงช่วงหลังช่วงสะโพกลงไปอะค่ะค่ะแล้วก็แนะนำให้กินแล้วก็น้ำมันให้ทาค่ะแล้วนาเขาเขากินชุดเล็กไปชุดนึงแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวลองลองขอลองชุดใหญ่อีกชุดนึงอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราเห็นบอกว่าเออคนแถวบ้านเนี่ยที่เป็นมามีเขาบอกมีพอทำความรู้จักน้ำเขาเป็นเอามาพลึกเขาใช้ชุดเล็กแล้วดีขึ้นเลยเหรอคะ ใช่ค่ะเขามาเล่าให้น้าฟังแล้วนะ้าเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งอะคะ่ะนะ mm hmm. เขาบอกว่าเนี่ยใช้ไอ้ตัวเนี้ยน้ำมันเนี่ยทาเป็นอัมานพึกมาแต่ไม่รู้เป็นมานานแค่ไหนแต่แบบเขาบอกเขาใช้แล้วเขาเดินได้อะ่ะท mm ุก hmm. วันนี้ก็คือไปไปทําทํานาทําอะไรโอเคใช่ได้ปกติอะคะ่ะแล้วส่วนนะตัวคุณสมขวัญดาวเอ ง, ะ ค, ะองค่ะมองว่าวผลิตภัณฑ์มูลไบร์เนี่ยเป็นยังไงคือ ถึงเรียกว่าอะไรอ่ะราคาสูงไปไหมเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่หลายๆคนรอบตัวเราใช้แล้วดีขึ้นนะคะจริงๆในในราคาชุดเล็กถือว่าไม่แพงนะคะใช้แล้วแบบมันดีขึ้นภายในชุดเล็กอะ่ะถือว่าโอเคเลยแล้วเมื่อตอนนั้นหนูบ่นปวดขาเหมือนกันแม่เา้าเลยอ้าวลองเอาไปทาทาก็รู้สึกแบบเออเหมือนขาเบาโล่งเหมือนกันนะคะอใช้เองก็ยังเออใช้แค่ครั้งเดียวนะครั้งแรกครั้งเดียวทาทีเดียวอ่ะยังาเออดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ไม่แพง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 เรื่องเราเกี่ยวกับคุณแม่แฟนตัวเองแล้วก็นะาแล้วก็เพื่อนที่นารู้จักนะคะคือทุกคนเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ของมูลไบรแล้วดีขึ้นหมดเลยค่ะรายการมูลไบรต้องขอขอบคุณคุณขวัญดาวมากๆค่ะค่ะชาหมือชชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบรย้ำ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 อ๋อป้าชื่อจันแก้วมาลิวงค่ะมาเล็กที่ค่ะหนึ่งูนสองทับสองค่ะหมู่หนึ่งหนองปินค่ะอําอเภอเมืองจังหวัด น, นะครสวรรค์ใช่ไหมคะจ้ะใช่ใช่ใชจ้ะค่ะอาการเดิมของคุณป้าจันแก้วนี่เป็นอะไรมาจ้ะอ๋อลุงจะเดินไม่ได้อ๋อ แ, แฟนเป็นคนทานจ้ะ เพราะว่าเดินไม่ได้พอมาใช้น้ํามันมุลมูไบเนี่ยนะค่ะขวดขวดที่หนึ่งมันก็เริ่มเดินได้เลยฮะพขวดเดียวก็เริ่มเดินได้จ้าเดี๋ยวนะคุณลุงเขาเป็นอะไรมาเขาถึงเดินไม่ได้อ่ะประสบอุบัติเหตุหรือเส้นเลือดในสมองเส้นเลือดเส้นเลือดอะไรเส้นเลือดหัวใจไปผ่าเส้นเลือดหัวใจมาค่ะเสร็จแล้วก็เดินไม่ได้อืม ก็มาใช้น้ํามันนี่เนี่ยทาไม่ต้องไปไม่ต้องไปนวดทาทาทาสักพักหนึ่งอ่ะให้มันแห้งๆอ่ะค่ะแล้วคุณลุงเขาเดินไม่ได้มานานไหมคะก็หลังจากผ่าก็เดินไม่ได้เลยอ่ะที่แรกแกก็เดินได้กี่ปีคะที่ที่ที่เดินไม่ได้ปีนึงได้ประมาณห่ะปีหนึ่งอ่ะอ๋อเดินไม่ได้มาปีหนึ่งหลังจากพาหัวใจจ้าแล้วหลังจากนี้ก็เดินไม่ได้เลย เดินไม่ได้แล้วทุกวันนี้คือเดินได้แล้วนี่พอนั่งลงไปแล้วลุกขึ้นไม่ได้อ๋อพอใช้น้ํามันนี่แล้วมันลุกขึ้นได้เดินได้อืมแต่มันก็เบาขึ้นอ่ะค่ะโอ้โหดีมากเลยเนาะเดินได้เพะเนียนี่นี่มันหมดอีกแล้วจะสั่งใหม่เนี่ยแล้วคุณคุณป้าจันแก้วรู้จิตยังไงคะกับน้ํามันเนี้ยที่แบบแบบแบบเนี้ยว่าแบบเฮ้ยมันทําให้แฟนเราเดินได้ถ้าถ้าเดินไม่ได้มันก็รังบากอ่ะ อือใช่ไหมล่ะค่ะจะไปห้องน้ําไปไหนก็ไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะอืมนี่มันเดินได้อ่ะอืมถึงจะเดินไปไกลไม่ได้แต่มันก็เดินได้อ่ะอืมก็มันเพิ่งเริ่มใช้อ่ะเนาะแล้วคุณป้าจันแก้วมีอะไรจะฝากบอกกับท่านผู้ฟังท่านอื่นที่ฟังอยู่ก็บอกเอ้ยเวอร์เป้าอะไรขาเดินไม่ได้มาเป็นปีแล้วเดินได้ไพูดเวอร์คุณก็ยืนยันหน่อยค่ะเออ ถ้าอยากรู้ก็มาถามก็ได้นี่อ่ป้าไมา่ได้ปิดบังนี่อ่อยู่หมู่หนึ่งหนองปิงเนาะจะเออถามหาป้าจันแก้วเนะเาะเข้าใจแล้วด <c oughs> ีคือแล้วบางคนอะคะ่ะ <c oughs> คือ <c oughs> เขาบอกว่าเอ้ยของฉันอะมันมันดีขึ้นนะแต่ว่าแบบยังไม่หายขาดฉันฉันเริ่มดีขึ้นฉันเลิกใช้ไปแล้วขี้เกียจใช้คุณป้ามองไงคะถ้าไม่ใช้มันก็ไม่หายอะที่ อืมเพราะว่าบางคนน่ะเส้นเส้นมันยังไม่แข็งแรงเนาะมันต้องประคั ป, ประคองให้มันเต็มที่อ๋อมันต้องนึกถึงตอ น, เ ด, นเดินไม่ได้บางที่อืมเนาะใช่แต่ป้าพอดีนะนี่ป้ายังจะเอาอีกเนี่ยสั่งซื้ออยู่เนี่ยอืมแสดงว่าตอนเนี้ยก็คือแฟนน่ะเดินได้แล้วและเรา ใ, ในฐานะคนดูแลเราก็สบายขึ้นนะใช่ใช่อืมโดยตรงเลยอืมเนาะค่ะแล้วคุณป้ามองว่า ที่มูลมุนไรทําให้แฟนป้าเดินได้อ่ะป้ามองว่าสินค้าราคาสูงไหมโอ้ไม่สูงอ่ะอืมมันจะไปสูงได้ยังไงอืมค่ะมันคุ้มอ่ะมันคุ้มเกินคุ้มอ่ะใครไม่ใช้ก็ไม่รู้ค่านวดครับที่แรกป้าจ้างเขามานวดมาชั่วโมงร้อยห้าน่นแล้วก็ไม่หายค่ะเจ็บอีกตั้งหากอือโอ้โหอ นี่ใครกินขาเปี้ยขาอะไรล้าๆอันนี่นะปะว่าใช้เหมือนคงจะดีนะเนาะดีเลยล่ะค่ะป้าขนาดคุณลุงเดินไม่ได้ยังเดินได้ไอ้คนขาเดินได้แล้วน่าจะดอเนาะคนานะคนที่ผ่าเปียเปี้ยก็ทาก็จะดีขึ้นค่ะป้าใช่เห็นไหมแบบกล้ามเนื้อมันค่อยมีแรงอะไรเนี่ยเนาะเต็มเกณฑนะเนาะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ฟังไม่ต้องคิดเยอะค่ะไม่ต้องตัดสินใจนานโทรเข้ามาเลยนะคะสั่งซื้อเลยค่ะ ของที่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะแต่แต่แต่อย่าลืมของป้านะป้าจะได้วันไหนเนี่ยอ่าได้วันจันทค่ะวันจันทวันจันทรนะจัดจ่ะค่ะเพราะว่าลูกค้าบางคนเน่ะโอ้ยฟังนะฟังหลายเดือนมากเลยไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวโดนหลอกกลัวว่าไอ้ที่พูดพูดกันนี่ยมันหน้าม้าบอกมันมันเขาเขาเขามีประสบการณ์ว่าโดนหลอกมาเยอะก็กลัวอย่างเงี้ยค่ะป้าอืม แต่ไม่หลอกเนาะออว่าเราไม่งั้นเราจะไม่กล้า ย, ยืนยันที่อยู่กันขนาดนี้หรอกออใช่ใช่ก็นี่มันเห็นผลน่ะเพราะว่าเป็นเครื่องยืนยันนะคะว่าของมูลไรทเราดีจริงใช้ได้ผลจริงนะคะใครใ<ช>ที่มีปัญหาปวดขาไม่แพงปวดขาเดินไม่ได้เออเป็นขาอ่อนแรงอะไรเนี้ยเนาะขาอ่อนแรงกระดูกทับเส้นหรื อ, อ, อปวดตามข้อตามกระดูกนะคะ นึกถึงมูลไร้ไว้นะคะเราอเข้าไปดูแลคุณคุณไม่ต้องนวดคุณแค่ทาแล้วก็ราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดแล้วที่สําคัญคุณจะได้ผลลัพธ์แบบสามีคุณจันแก้วนะคะเดินได้ค่ะใช่แล้วค่ะทางรายการมูลไว้ต้องขอขอบคุณคุณป้ามากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะจ้าจะหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเข่า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 เพียงท่านสั่งชุดน้ำมันมูลไร้ชุดใหญ่รับของแถมฟรีย้ำสั่งชุดน้ำมันมูลไก์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือจินดาลงทองอะ่ะขนมทบุญคือเมืองใหม่กรุาางเทพนี้นะคะเป็นเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้ว ลุกลุกเดินเดินก็ยากค่ะต้องใช้สเกลเท้าแล้วก็ก้าวขาไม่ออกเลยจ้าค่ะได้มีดเดียวต่อเท้าเลยค่ะเดินต่อเท้าเดี๋ยวนี้ก้าวได้กว้างขึ้นแล้วก็เดินสะดวกไม่ปวดแล้วเคยเคยปวดหลังแล้วก็ปวดลงไปตีนองอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นน่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะค่ะชุดน้ำมันมูลไรทช่วยท่านได้ส่งของเก็บเงินหน้าบ้านฟรีสนใจติดต่อ0813946977ย้ำ0813946977 เดี๋ยวเรามาฟังเพลงเพราะๆของเจ้าชายลูกทุ่งจากโคราชก๊อจั ก, กรพันธ์อาบคอนบุรีค่ะ หัวใจไม่เคยว่างงานเพราะว่าคิดถึงเธอทุกวันเป็นคนสำคัญที่ฝันอยากเจอคิดถึงเสมอ ฟังคุณพูดเรื่องใดหัวใจก็แปลเป็นเธอนับแม่เศษนาทีคอยวันที่กลับมาเจอไม่เห็นก็ห่วงเสมอ มือถือส่งไปเสื้อยือดของควันปีใหม่ลองใส่ดูบ้างหรือเปล่าห่วงตัวเองบ้างนะงานหนักก็พักสักคราววันใดที่ใจสดเงาฝากดาวบอกว่าคิด ทางกันลับตามองฟ้าเฝ้าคอยรำพึงอยากฝากคำของใจคำหนึ่งส่งความคิดถึงจากใจไปเจอ I'm n o สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมูลไบรท์สัญจรบอกเล่า90ความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูนไบรท์ค่ะวันนี้นะคะ DJM ค่ะอยู่กับคุณลุงสนอขายแก้วนะคะซึ่งคุณลุงค่ะเป็นผู้ที่มีความประทับใจนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของมูนไบรท์นะคะแล้วก็จะมาแสดงความคิดเห็นค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคะครับคุค่ะเดี๋ยวขอรบกวนให้คุณลุงแนะนําชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะ ผมชื่อสนอสายแก้วครับนางตะกุนสายแก้วบ้านเลขที่สามหกหนึ่งพับสองเก้าเก้าค่ะหมู่อะไรคะหมู 6, ่หกหนองปิงอำเภอเมืองครับอ่าจังหวัดอะไรคะจังหวัดคนครสวรรค์ครับค่ะคุณลุงสนอคะก่อนหน้าที่จะใช้ผลิตภัณฑ์มูลไบรท์เนี่ย มีอาการเป็นยังไงบ้างคะก่อนหน้านะมันก้าก้าขาเดินไม่อ่อยได้เกิจะเป็นนิ่งล็อกนิ้งอะไรอย่างเงี้ยขานอนก็ขาพอรับปาะทานมูลใบอะไรนี่รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลค่ะที่คุณ<บ>ลุงบอกว่าดีขึ้นเยอะเนี่ยคะ่ะเล่าเล่าร า, รายละเอียดให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างที่ว่าดีขึ้นนะคะ มันมันขาขาแล้วนอนไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยค่ะเดินก็เดินไม่เคยได้ค่ะขาให้ขาไปแข็งเลยค่ะแล้วเาทานแล้วดีขึ้นเยอะเลยค่ะที่ดีขึ้นเยอะเนี่ยคืออะไรที่มันด<ไ>ีขึ้นบ้างคะขาขาเดินได้เมื่อก่อนเดินไม่ได้ขาค่ะขาเดินได้แล้วเดี๋ยวนี้ อาการที่รู้สึกว่าชาหรือเจ็บปวดอย่างอื่นนะคะดีขึ้นยังไงบ้างนะคะก็เดินได้ดีแล้วแล้วคุณลุงสนอมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังทางวิทยุบ้างไหมคะก็อยากให้คนที่เป็นแบบผมขอให้รับประทานยดีที่สุดเลยครับหายชาหายไหลเตาเดินได้สะดวก นอนตะแคงก็ผมเดินนอนตะแคงก็ได้ในนี้นอนตะแค ง, งได้แล้วต้องนอนหลายเลยแต่ให้ใช้เงี้ยดีครับดีมากๆเลยครับค่ะแล้วมองว่าสินค้าของมูลไบรท์เนี่ยค่ะราคาสูงไปไหมคะมองว่ายังไงเอ่ยไม่สูงครับราคาทั่วทีแลั้นมันแพงไม่อะไรมากคือมาใช้ราคาเท่านี้ไม่แพงครับ ทางรายการมูลไบรท์นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณลุงสนอคลายแก้วเป็นอย่างมากนะคะที่มาเล่าความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลไบรท์ค่ะขอบคุณมากค่ะครับผม ทนปวดอยู่ทำไมต้องจ่ายเท่าไรถึงจะพอจะดีกว่าไหมถ้าหายปวดเบาตัวในทุดแรกที่ใช้ถ้าใช่ชุดน้ำมันมูลไบร์คือคำตอบสอบถามได้ที่เบอร์0813946977ยำํำ081394697 S 1> <S 1> <S 1> สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงมูลไบรท์สัญจรบอกเล่าเก้าสิบความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลไบรท์ค่ะวันนี้นะคะทางรายการมูลไบรท์อยู่กับคุณพยาค่ะซึ่งมีความประทับใจในผลิตภัณฑ์นะคะสวัสดีค่ะคุณพยาวคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาให้พี่พยาวแนะนําชื่อนามสกุลและที่อยู่ด้จ้ะค่ะ พี่ชื่อพยาวสีแก้วค่ ะ, คะอยู่บ้านเลขที่สองเจ็ดแปดทัสองหมู่แปดตระบนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะคุณพยาวคะ่ะสามีของพี่อะค่ะเป็นอะไรมาคะคือผ่าตัดสมองค่ะอืมผ่าตัดสมองทําไมคือสาเหตุอะไรทํำให้พี่เขาต้องผ่าตัดสมองด้วยคะอ๋อผูบบ้จบทเหตุมีมีเลือดข้างในสมองค่ะอืมแล้วอาการตอนที่ ก่อนจะใช้ของมูลไบรท์เนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างคะก็หลังผ่าตัดมาประมาณหนึ่งเดือนมีแขนขาซ้ายอ่อนแรงค่ะค่ะค่ะแล้วพี่เขาเดินได้ไหมก็ช่วงแรกเดินไม่ได้เลยค่ะช่วงช่วงแรกเดินไม่ได้เลยก็ต้องช่วยพยุงลุกนั่งตลอดนะคะก็พูดได้ค่ะอ๋อแต่ว่าไม่มีแรงนะคะแล้วต้องพอยพยุงไม่มีแรงแขนขาข้างซ้ายค่ะค่ะ เรกว่าชีกสายเป็นทั้งหมดแล้วพี่มารู้จักกับมูลไบรได้ยังไงจ๊ะก็คุณตาที่บ้านใช้อ่ะค่ะอ๋อค่ะคุณตาที่บ้านใช้ ค, คุณตาทานยาอยู่แต่น้ำมันยังไม่ได้ใช้คุณตาเลยลองให้ใช้น้ำมันของคุณตาดูเพราะว่าแกว่ามันมันมั น, ม, นมันดีก็เลยลองใช้ดูค่ะแล้วเอามาลองใช้ าได้เป็นก็คื อ, อเริ่มใช้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่คุณตาบอกก็คือเริ่มใช้เป็นขวดใหญ่นะคะค่ะใช้นวดที่แขนแล้วก็ที่ขาแล้วก็ทกํากายภาพไปด้วยอะคะ่ะอืแล้วเป็นยังไงบ้างใช้เมื่อกี่เดือนคะถึงเริ่มรู้ว่าอาการดีขึ้นคะ่ะก็ใช้หมดขวดนะคะประมาณไม่ไม่ถึงเดือนนะคะเพราะว่านวดทุกวันแล้วก็คือมีเวลาให้เราบําบัดตอนไหนเราก็นวดตอนนั้นเลยออื ก็รู้สึกว่าหมดขวดก็ดีขึ้นค่ะลุกเดินเองได้ออืเดินได้แล้วก็แต่แขนข้างซ้ายยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยสั่งเพิ่มมาอีกขวดหนึ่งโดยใช้น้ํามันอย่างเดียวนะคะใช้แต่น้ํามันอย่างเดียวค่ะตอนนี้ก็แขนข้างซ้ายก็ยกได้กําได้แต่ว่าคือยังถือของหนักไม่ได้ค่ะตอนนี้ใช้ไปประมาณ6ขวดแล้วค่ะอืค่ะตอนนี้ก็คืออาการดีขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะค่ะดีขึ้นตามลําดับค่ะแต่ยังไม่ปกตินะคะออื โอเคค่ะแล้วเทียบกว่ากับกับตอนแรกอะ่ะที่พี่เขาเพิ่งหาตัดเสร็จใหม่ๆอะ่ะกับตอนเนี้ยอาการดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คะก็ก็เปรียบเทียบเมื่อก่อนนี้ก็แค่สี่สิบเปอร์เซ็นตอนนี้ก็ขึ้นมาแปดสิบปอร์เ็นแล้วคะ่ะอืมโอเคเลยค่ะแล้วพี่มีอะไรอยากจะฝากไหมกับคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วมีอาการคล้ายๆกับแฟนพี่อ่ะคะ่ะ ก็คืออยากจะให้ใช้น้ํามันตัวนี้คว่คู่ไปกับการบําบัดนะคะที่เราทํากายภาพบําบัดเะค่ะก็จะดีคือว่ามันจะทําให้คลายเส้นไม่ตึงแล้วเวลาเราทํากายภาพก็จะไม่เจ็บไม่เจ็บที่กล้ามเนื้อแล้วก็ที่เส้นเอ็นนะค ะ, คะก็อยากแนะนําให้ใช้ค่ะค่ะแล้วพี่พะเยานี่เอพึงพอใจไหมคะกับผลที่ได้รับอะค่ะค่ะพอใจค่ะแล้วคิดว่าราคาเป็นยังไงบ้าง กับสิ่งที่ก็ไม่แพงเลยค่ะสำหรับคุณภาพที่ได้รับมาค่ะก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนเนาะแฟนก็ลุกเดินได้แล้วเยี่ยมมากเลยค่ะทางรายการมูลไบรท์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่พยามเป็นอย่างมากนะคะที่มาบอกเราเก้าสิบเกี่ยวกับอาการของแฟนพี่นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะคุณพ่มากค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อกรอบแก้วเรืองศรีนครสวรรค์ตก อ, อเมืองจังหวัด น, นครสวรรค์ค่ะปวดขาค่ะหหปวดขามากแล้วก็ปวดกระดูกตามมือเนี่ยแล้วก็เป็นนิ้วล็อกค่ะเนี่ยแบบมันปวดนะนะมันตึงอ่ะมันตึงแต่พอทาทาไอ้น้ำมันคลายเส้นนะแล้วกินเออรู้สึกมันดีรู้สึกเส้นมันจะหยดิดเลยงไงมันไม่ปวดนะดมันต้องหกปีแล้วอ่ะ รู้สึกมือไม้ก็เบาปวดกระดัได้ผ้าเพอ น, นี่ขยี้ได้แต่ก่อนจบไม่ได้เลยตั้งต่กินบุลไว้นี่ดีมากเลยแล้วขาแข้งก็เบาตัวสบายจริงๆต้องขอขอบคุณคุณกาอแก้วเรืองศรีเป็นอย่างยิ่งนะคะอ่าอย่าลืมใช้ชุดน้ำมันมุนไบรสอบถามได้ที่เบอร์0 8, 9 9 0 8 1 3 9 4ปดหนึ่งสามเกสี่หเก้าเจ็ดเจดจําปดหนึ่ง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 ชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันกัญนาแสงแย้มค่ะอยู่ตำบลมหาโพธิ์อำเภอเก้าเหลียวอายุหกสิบสามปีค่ะที่แรกเลยดิฉันเป็นตะคิวแล้วก็ น, นิ้วล็อกค่ะมันจัดตรงสะโพกที่สหลังแล้วก็มันก็ลงไปที่นิ้วไงเวลาเป็นตะคิวแล้วนิ้วเขาจะบิดเนี่ยเป็นยี่สิบปีแต่ละมั่งที่เป็นมากล้านอนฟังเอเอ็มเ่ะได้ยินหมุนไบ พูดง่ายๆหน้าขาแล้วเนี่ยหน้าขาสองข้างแล้วนะคะถ้ายังนั่งยองๆก็เลิกคุยกันเลยต้องไปนั่งแล้วบังแล้วลุกไม่ขึ้นแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วะคะ่ะแล้วนั่งพเพียบนั่งคัตมาดยังไงก็ได้ขอบคุณคุณกาจนามากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมใช้ชุดน้ำมันมูลไบสอบถามได้ที่เบอร์081394ปดหนึ่งสามเก้าสี่หเก้าเจ็ดเจดจํา0ปดหนึ่ง ส9 4 6 9 7 7สี่หเกเจดเจเรามาผ่อนคลายด้วยการฟังเพลงจากนักร้องคุณภาพจากค่ายอารสยามกันค่ะ เพราะแค่ความลับอยู่ลึกๆที่นึกในใจแต่ว่าคนที่ตกเป็นชู้ทางการบาปมีแค่ไหนไม่ต้องถามใครก็พอรู้ mm hmm. เหมือนน้ำคอมจากต้นงิ้วทิ่มต่ำที่ใจ ได้ยินเสียงแต่คำลบกลรู้ว่าเป็นแมวขโมยแอบกินปลาทูแต่คำว่าชูใครบ้างจะรู้ที่มาก็ชายคนนั้น ถูกปะด้วยความเต็มใจชูทางใจผิดแค่ไหนก็ยังเป็นสิทธิ์เพราะแค่ความคิดอยากใกล้ชิดก็คิดกันไปแต่ตัวฉันผิดนั้นติดตัวจนตาเพราะเอาร่างกาย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 ตัวจริงเสียงจริงของพี่อรารดาคล้องวิถีกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คะค่ะสวัสดีค่ะอ่าให้คุณพี่แนะนําชื่อนำส ก, กุลแล้วก็บริเวณที่ตัวเองอยู่ค่ะร้านค้าอยู่ตรงไหนค่ะค่ะันชื่ออรารดาคล้องวิถีนะคะค่ะเออบ้านอยู่ที่จังหลังกรองใต้ค่ะจังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะร้านค้าก็คือร้านขายของคืออาหารตามสั่งที่ในที่ตารวจเขาชา น, น, นะคะ อ๋ออาหารขายอาหารตำสั่งนะที่ตำบเกองกองใต้นะคะใช่ค่ะอ่าลูกค้าท่านใดฟังก็ตั้งใจฟังนะคะไปอุดหนุนกันได้นะคะค่ะอ่าพี่อารดาคะก่อนก่อนหน้าที่มาจะที่ที่จะมารู้จักกับมุนไรเนี่ยพี่เป็นอะไรมาแล้วเป็นมากี่ปีคะเป็นมาประมาณปีฝ่าแล้วค่ะมันปวดขาแล้วก็ไปหาหมอเนี่ยเขาจะบอกว่าปลายเส้นประสาทอักเสบก็หาหมอแบบฉีดยาแล้วก็ พอหมดลทธิย์ยา ก, ก็ต้องไปใหม่อย่างเงี้ยก็รักษามาได้เรื่อยนะคะค่าการสังคมก็แล้วจ่ายเงินสดก็แล้วมันก็ไม่หายทีพอดีมากินนี่คะ่ะได้ประมาณสักอาทิตย์วันฝันหนึ่งก็ดีขึ้นเพราะว่ า, าแต่าตอนแรกๆก็จะปวดมากๆเลยนะเดินไม่ได้อืคือโรคนี้มันแบบนั่งแบบเพียบไม่ได้นะคะไปะวัดนี้นั่งแบบเพียบไม่ได้เลยคะ่ะค่ะนั่งไม่ได้เลยแล้วก็นั่งส่วมนี่ก็ไม่ได้เลยแบบไม่ได้ยืนนี่ก็ตึงมากเลยอะ่ะค่ะ เป็นมากเลยเพราะว่าเดินไม่ได้แบบปกติจะเปนคนที่เดินเร็วมากนี้เดินไม่ได้เดินช้าลงตึงไปหมดเลยค่ะหมายควากล้ามเนื้อมันคือหมอบอกว่ากล้ามเนื้อมันอักเสบต้องกินยาตลอดเลยเงี้ยแบบหายกล้ามเนื้ออนเงี้ยค่ะก็เป็นเยอะนะคะไปหาหมอที่กัพันสองอ่ะฉีดยาแล้วก็ไม่มันก็พอยาหมดลิก็เป็นอีกค่ะแสดงว่าไปหาหมอมาเป็นมามานานและนานแล้วทำการสังคมค่ะนิดก็ไปสองก็ถือว่าแพงอยู่ พันสองมั่งทีก็พันสี่มั่งประกันสังคมจ่ายนอกเวลาก็สองร้อยก็ต้องจอ่ายเงี้ยอืมก็แพงนะแต่ว่าเราก็รักษาเพราะเราต้องเดินะเราทํางานเกี่ยวกับแม่บ้านนะคะจะเดินตลอดออใช่ค่ ะ, คะแล้วคุณพี่อายุเท่าไหร่คะตอนนี้ห้าสิสี่ค่ะห้าสิบสี่แล้วเนาะก็ถือว่าเป็นวัยที่ใช้ร่างกายมาเยอะแล้วยิ่งเราทํากับข้าวเราขายอาหารแบบนี้ต้องยืนทั้งวันถูกไหมคะใช่ค่ะ ค่ะแล้วพี่อารดามองว่าผลิตภัณฑ์มูนไบรท์อ่ะเป็นไงใช้ได้ผลไหมมันก็ดีขึ้นนะคะตอนแรกก็คิดไม่แม่นใจเหมือนกันว่ามันปวดมันปวดแล้วก็เออพอกินเข้าไปแล้วมันก็ยังตึงอยู่นะแต่ตอนนี้พอไมรู้เหมือนมันจะไายเส้นแล้วนะเขาเขายังทั่วไม่ค่อยปวดแล้วค่ะอ๋อแสดงว่าเป็นเหมือนกับทุกคนเพอทุกคนที่ทานเขาจะบอกว่าช่วงแรกจะปวดมากมันเหมือนกับว่าดึงเส้นกําลังขับกันอยู่แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วพี่อารดา มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมบางคนน่ะฟังฟังอยู่เขาไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าเขากลัวว่าสั่งสั่งกันแบบไม่รู้จักไม่เห็นหน้าเขาก็แบบไม่มั่นใจลกลัวโดนหลอกบางคนบอกโอ้ยที่สัมภาษณ์กันอยู่ไม่มั่นใจหรอกว่าพูดกันจริงหรือเปล่าเนี่ยได้ค่ะได้ค่ะค <ฮะ S 2> ่<ฮ>ะค่ะอันนี้ไ<อ>ม่ใช่หน้าม้านะคะอันนี้เรื่องจริงค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงๆนะคะก็แรกกินไปชุดแรกเพื่อนแล้วนี้ก็ดีขึ้นก็เลยอยากจะลองทุดใหญ่ เพาะ<ม>กินที่มันต่อนเนื่องถ้าเกิดว่าเราไม่กินต่อนเนื่องมันจะไม่หายใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่อยากแนะนําให้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่เป็นอย่างเงี้ยลองมากินดูนะคะเพราะว่ามันก็ไม่แพงเท่าไหร่ถ้ามันหายเพราะว่าทุกคนผมอายุมากจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะคะค่ะเราตัวอ้วนด้วยแล้วเราก็มันจะเดินนานๆไม่ได้มันใช้เวลาเดินมันใช้ไม่ได้แล้วเดิน ม, มากๆมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะยืินนานๆค่ะอืมค่ะคือกำลังจะบอกกับทุกคนว่า ลองมาใช้เถอะไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าคุณอรดาว่่เป็นหน้าหมาก็ใช่ค่ะไม่เป็นเช่าหมาค่ะเรามากินดูนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นอย่างเงี้ยท่าหนักหรือไม่หนักก็ลองดูนะคะบางคนถ้าเกิดเป็นน้อยๆเนี่ยอาจจะหายได้เร็วฝ่าแต่พี่เนี่เป็นเยอะมากค่ะก็เป็นมาเป็นปีแล้วต้องกินยาตลอดเวลาค่ะพอยฏ่บทยาปุ๊บต้องไปซื้อกินเงี้ยมันถ้ามันไม่หายขาดแต่เรารู้ว่าใช่มันตึงไงอืมค่ะเงี้ย ลองดูนะคะคนที่ฟังอยู่นะคะทานได้เลยนะคะว่าอันนี้เราไม่ได้เป็นหน้ามาถ้าอยากเป็นเพื่อนอยากให้เพื่อนเพื่อนถ่ายนะคะเขาอยู่หลังสถานีํางดวนท่องเที่ยวค่ะไม่เชื่อมาถามได้นะนะคะอยู่สถานี้หลังกองใต้นลยค่ะกองใต้นะคะหลังกองท่องเที่ยวเี่ค่ะอถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าเออตัวจริงๆสงจริงอ่ะใช่เลยว่ากินถูกจริงจรงค่ะอ่าก็แต่มันใช้เวลาค่ะให้มาให้มาทานอาหารเนาะที่ร้านใช่ค่ะมาทานอาหารร้านไม่อร์นะคะ อ๋อจ้ะอ่าร้านแม่อ่อนนะก็เดี๋ยวจะได้เผื่อใครสนใจอยากจะลองมาทานอาหารฝีมือของคุณอารดาด้วยแล้วก็ได้มาสอบถามว่าเออกินแล้วเป็นยังไงดีขึ้นมาได้เลยนะคะที่หลังสถานีตํารวจท่องเที่ยวนะกองใต้ใช่ค่ะทางรายการมูลร้านะคะต้องขอของคุณคุณอารดาคล่องวิถีนะคะที่อยู่หลัสถานีตํารวจกองใต้นะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อป้าขวัญบัวรอดเนียมูสีตําบลวาดใจเนี่ยนครสวรรค์เนี่ยมันอืดท้องปวดหลังปวดขาสิ ป, ปีแลยมั้งปวดขาแล้วป้าเป็นโรคปาหวัตด้วยอ่ะแล้วป้ามารู้จักกับมวลใบไ ด, ได้ยังไงจ๊ะก็ฟังเอฟเอ็มเน่ยเอาใครเป็นก็ลองซื้อกินดูเอะป้าตึ้ป้ากินว่าว่ามันเบาขึ้นน่ะอ <ừ> ืมันไม่อืดแลว้วอะ ทางรายการมูลไบก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าขวัญบัวรอด <Yeah. S 1> ชุดน้ำมันมูลไบช่วยท่านได้ส่งของเก็บเงินหน้าบ้านฟรีสนใจติดต่อ0813946977ย้ํา0 8 1 3 9 4 6 9 7